ท่านประโยชนก า, วารวิจารทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโอกาสนีบ้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อไปนี้เขาได้โปรดตั้งใจสดับมิชายการเจ ร, ริญพระกรรมฐานนั้นด้านอาหารเรียบูิรสัญญา สำหรับพระหาเรปริกูรสัญญาในตอนนี้จะพูดถึงอริยสัจแ <c oughs> สดงว่าการเจริญเกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดที่บรรดาพวกท่านหลายจะต้องลืมไม่ได้นั่นก็คือการทรงอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติ แล้วก็หมดพิจารณาก็ดีภาวนาก็ดีที่ท่านทำอยู่ทั้งหมดนี้จงอย่าปล่อยเวลาเสียเปล่าโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งนิวรณ์ห้าประการกับสังโยชนิรรนวรณ์ห้าจะต้องหาทางรับด้วยกำลังของฌานสังโยชนิประรหการต้องหาทางตัดด้วยปัญญา และสิ่งที่จะเว้นไม่ได้เลยนั่นก็คือศีลต้องบริสุทธิ์เป็นปกติอารมณ์สมาธิป้องกันนิวรณ์ไว้เป็นปกติใช้ปัญญาตัดสังโยตโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อศักกายทิฏฐิถ้าข้อนี้ตัดได้ถึงที่สุดท่านก็เป็นอารหาันต์ต่อที่นี้ไปขบรรดาธนาลายโปรสนับ อาหารีปิโกรักรสนยาในหมดนี้ใกล้จะจบคิดว่าคืนพรุ่งนี้ก็จบนักศึกษาพระกรรมฐานถ้าศึกษาใหม่ถ้าคนไปหาหมดก็นาปานุสติกรรมฐานมาศึกษาเพราะว่าหมดนั้นอธิบายไว้ละเอียด แล้วก็สำหรับอาหารเรียบริกูรสัญญานี้เป็นหมวดเฉพาะท่านที่มีจิตตกอยู่ในอนนายของพุทธจริตคือคนฉลาดแต่ก็ท่านนั้นหลายก็จงอย่าประนามตนเองว่าเป็นคนงโง่และก็จงอย่าทือตัวว่าเป็นคนฉลาด <c oughs> อารมณ์ดลงสอมรายการนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่ดี หมายความว่าถ้าเราคิดว่าโง่เราก็ปล่อยมือก็เลยไม่มีความฉลาดถ้าเราคิดว่าเราฉลาดก็เหลืองตัวเกินไปไม่สร้างความดีเป็นอันว่าเลวทั้งคู่ฉะนั้นจงจำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินรีพ่อพระบรมครูว่าประมาณีนะสัมบาลีฐะ ยิ่งแปลเป็นใจความว่าท่านนั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคือเราไม่ประมาททางสมรการไม่ประมาทว่าเราโง่เกินไปแล้วก็ไม่ประมาทว่าเราฉลาดเกินพอดีเอาจิตใจควบคู่อยู่ในความดีคือศีลสมาธิปัญญา สี่งใดที่นอกเหนือไปจากคําสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราไม่เอาถ้าเวลานี้มีอยู่เดินคําสอนของพระพุทธเจ้ามีเขาเป็นพระอรหันต์กันนับไปทวนเขานิพพานนับไปทวนเราได้ว่ากลับมาบอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ยินฟังได้ยินได้ฟังบ่อยๆว่าภาวนาวา่าพุทโธเนี่ยไม่มีความหมายไม่มีเกณฑ์บรรลุมรรคผลสู้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวลานี้แม้แต่พระอาจารย์ทั้งหลายท่านยังภาวนาว่าพุทโธอยู่ถ้าคำภาวนาถ้าทรงตัวจิตเปสมาธิปัญญามันก็เกิด คำว่าพุโทโธเป็นพันนามความดีพระองค์สมเด็จระสัมมาสัพพุทธเจ้าถ้าเราไม่เกาะพระพุทธเจ้าเราจะเกาะใครอันนี้ช่วยกันนึกด้วยด้วยตอนนี้ไปฟังเรื่องราวของอราหาัริปฤฤฤูิปุสัญญาในด้านของอริยสัจเราฟังกันมาแล้วว่าอาหารมีพื้นฐานมาจากความสกปรก นี่นีร่างกายเราเติบโตมันด้วยอาหารอยากจะถามตนเองคือควรจะถามตนเองว่าร่างกายของเรานี่มัสะอาดหรือสกปรกแล้วร่างกายที่คนที่เรารักอยากจะได้ในี่สะอาดหรือสกปรกเราที่นี่ตอบก็ไม่อยากว่ามันสกปรกถ้าสกปรกเราต้องการมาเพื่ออะไร คำการเห็นว่าสุกรกเป็นสมถะภาวนาตอนนี้มาว่าการเทืออริยสัจอริยสัจนี่ก็ดีวิปัสนาญาณก้าวก็ดีแล้วผู้เรื่องขันห้าก็ดียัตนาหกก็ดีก็เป็นเรื่องของญ อ, อริยสัจคือขันห้าเหมือนกันรวมความว่าวิปัสนาญาณนี่มีเรื่องเดียวคือขันห้า ก อ, อนที่ท่านอังหลายจะพิจารณาอริยสัจพยายามสังัดจงทำใจของท่านให้สังัดจากมีวนห้าประการเสียก่อนด้วยอำนาจของสมาธิการเจริญสมาธิในสี่สิบแบบจะใช้อะไรก็ได้ไม่ได้ว่าใช้ข้อไหนก็ได้ที่เราคล่องอยู่ไม่ผิดเมื่อจิตใจสบายแล้วก็นำกำลังใจมาคิด ปัญญามันจะเกิดดิมยน้อยของสมาธิถ้าปัญญาเกิดดิมยน้อยของสมาธิมันเป็นปัญญาดีจริงๆอริยสัจมีอะไรบ้างคือหนึ่งทุก์คำว่าทุกหมายถึงว่าการทนในอยากสมุทยัยเป็นปใจใัจจัยเกิดของความทุกข์ คือทุกเจเกิดขึ้นมันได้กับพระสมุทยัยคือตัณหาสามได้แก่การมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานิโรธาแปลวะ่าการปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์คือทุกคนดับไปหมดนี่ทุกจะดับไปหมดได้ก็ต้องอาศัยมรรคปฏิปทามีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นและมีสัมมาส ม, มาธิเป็นปริโยสาน อันนี้เรียกว่าอริยสัจอริยสัจแปลว่าความจริงที่พระอริยเจ้ายอมรับนับถือหรือว่ากฎของความจริงที่ทำบุคคลให้เป็นพระอริยเจ้าตอนนี้เราก็มานั่งพิจารณาอาหาริปปิโกตัสัญญาเราเอาอาหาริปปิโกตัสัญญามาเป็นอริยสัจ อาหารเรปริกูลสัญญาจริงเป็นสมถภาวนาตอนนี้เราเอามาเป็นวิปั ส, สนาภาวนาที่พระพุทธเจ้ากล่าวาว่าโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตของคนละสัตว์ที่เกิดมาในโลกมีแต่ความทุกข์ทุกข์มันอยู่ตรงไหนนะนี่เราพูดกันึงเรื่องอาหาร อาหารที่เราจะกินเข้าไปอาหารมันนำสุขมาให้หรือว่าอาหารมันนำทุกข์มาให้ก่อนที่เราจะกินอาหารก่อนที่เราจะได้อาหารมาเราได้อาหารมาด้วยความสุขและได้วยความทุกข์เอานังเล็กๆดี่ฟังไปแล้วก็คิดตามไปด้วย อาหารที่มีความสําคัญคือข้าวแต่บางคนเขาไม่กินข้าวเขากินข น, นมปังเขากินขนมเปียกเขากินอะไรเขช่างเถอะไอ้ของที่กินเข้าไปอาหารที่เรากำลังจะกินเข้าไปนี่มันได้มาจากอะไรมันได้มาจากความสุขหรือว่ามันได้มาจากความทุกข์คิดเอาดิอยัง ถ้าคิดไม่ออกจะตีใบให้ว่าอาหารข้าวแต่ละคำกับแต่ละชิ้นเนื้อของใช้แต่ละสิ่งที่มันจะเป็นร่างกายของเราขึ้นมาเราจะกินให้มันอิ่มไอ้คำว่ า, ากินให้อิ่มเนี่ยมันเข้าไปสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างกระดูกเพราะว่าไอ้ของเก่ามันล่อยรอลงไปต้องเอาของใหม่เติมเข้าไป ตอนนี้คิดไว้ด้วยนะฟังแล้วก็คิดอย่าไปนั่งฟังไปในธานแบบตุ๊กตาฟังเสียงเพลงมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อาหารทั้งหมดที่เราจะได้มาจากการงานใช่ไหมถ้าเราไม่ทำงานไม่ทำการไม่หาทรัพย์สินมา ไม่หาอาหารมาเรานั่งอยู่เฉยๆนี่ยอาหารไม่เกิดขึ้นมาได้หรือเปล่าอย่างนี้ทุกคนก็คงจะตอบว่าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดมันได้แล้วก็อยากจะถามว่าอาหารมันได้มาจากความสุขหรือาอาหารมันได้มาจากความทุกข์การทํางานเพื่ออยากจะได้ทรัพย์สินมาเพื่อซื้ออาหาร มันเหนื่อยแล้วมามันนอนสบายกว่าเราจะได้เงินเดือนสมมติว่าคนมีเงินเดือนถ้าพ่อค้าแม่ค้ากว่าจะได้กําไรเข้ามาพ่อทําไร่ไถนากว่าจะมีผลขึ้นมาเอาเงินไปซื้ออาหารหรือว่าเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นอาหารต้องใช้อะไรบ้างอันดับแรก ต้องใช้สมองคือปัญญาทั้นี้พรา อ, อะไรถ้าไร้ปัญญามันก็หาอะไรไม่ได้ปัญญาที่ยันได้อาหารมาก็ต้องนั่งคิดนอนคิดว่าทำยังไงเนาะถ้าเรายังไม่มีเงินเดือนอยากจะมีเงินเดองก็ต้องพยายามคิดสิว่าเงินเดือนมันจะมาจากไหน เงินเดือนจะมาได้เพราะมีความรู้มีความสามารถให้เขาจ้างเอาให้เขาจ้างเราได้ความรู้ความสามารถนี่มันมาจากไหนล่ะก็จะมาจากการศึกษามาจากการฝึกฝนถอยหลังไปทั้งการศึกษาจอเรียนหนังสือเพื่อรับจ้างเขาเอาเงินเดือน มันก็ต้องไปตามเวลามาตามเวลาจาขี้เกียจก็ไม่ได้ถ้าขี้เกียจเด้ยความรู้มันมีไม่ได้การที่ต้องไปตามเวลามาตามเวลาเนี่ยมันเป็นจุดบังคับคือเป็นเหตุบังคับเราใช่ไหมเราจะพักผ่อนนอนหลับเพราะวันนี้ไม่ไปเรียนหนังสือ่ะไม่ขี้เกียจ อี่สองสามวันเข้าไปเรียนเขาเรียนกันตอนเช้าไม่เป็นไรเราไปบ่ายก็ได้เราทําอย่างนี้ได้ไหมบางครั้งบางคราวเราไม่สึกไม่ค่อยสบายเรื่องที่จะมีอาการเพลียเพราะว่ากิจการงานอย่ายงใดอย่างใดยังเด่งเกิดขึ้นแต่ถึงเวลามันก็ต้องไปเรียนนี่ว่าจําจะต้องไปถ้าไม่ไปวิชาความรู้มันไม่ทันเขา เพราะจะกลายเป็นคนที่ไม่ควรในการรับเงินเดือนอั้นี้ทําไงเด็กก็นั่งนึกว่าไอ้ตอนนี้นะมันสุขหรือมันทุกข์ที่เราต้องบังคับตนตามเวลาของเรานี่มาต่อมาการเรียนหนังสือเราไม่เคยเรียนหนังสือเลยเริ่มต้นในการเรียน ไอ้ตัวกอตัวเดียวเนี่ยสามวันบางทีมะเรียนไม่จบเราต้องใช้จิตวางคับมันสมองของเราเพื่อให้รู้มีความเข้าใจตามคำสอนของครูอันนี้มันก็เป็นอารมณ์ฝืนใจเพื่อใจของเราไม่ต้องการงานประเภทนั้นมากการจิตใจเราต้องการอยู่ในความสงบ เป็นอิสระภาพแต่เราต้องบังคับจิตใจของเราเข้าไปเรีย น, นสือก็อาจจะอ่านหนังสือออกมันก็เหนื่อยกับตายเช้าไปเยิงกลับดีไม่ดีกลับมาบ้านพออ่านหนังสือออกบ้างพอจะมีความเข้าใจบ้างมาถึงบ้านแทนที่นอนสบายสบายครูก็ให้การบ้านมาอีก ในเวลาที่อยู่ในห้องเรียนครูให้การดึกษาเราต้องใช้สมองจำเวลาเข้าโรงเรียนเวลาโรงเรียนจะปล่อยพักไปถึงเวลาจะเข้าบางคราวเรายังไม่ค่อยสบายใจยังไม่หายเพลียสมองยังไม่หายมึนครูก็มาสอนวิชาอื่นต่อตอนนี้มันก็เป็นการฝืนอารมณ์อาการอย่างนี้มันเป็นความสุขและความทุกข์ เวลาเรียนเรียนไปก็ต้องดูไอการศึกษาวิชาความรู้ที่เราจะเรียนเนี่ยมันทันชาวบ้านชาเมืองเขาไหมถ้าหากมันไม่ทันมันก็ต้องกวดขันเวลานี้มีการเรียนพิเศษยรียนกลางวันยังไม่พอจะเดินต่อไปเรียนกลางคืน นี่เป็นอันว่ากว่าจะมีความรู้เข้ามาได้เนี่ยมันต้องใช้ความลาบากไอ้ความลาบากการเผลงกายเผลงใจเนี่ย เ, เป็นอาการของความทุกขอันนี้ผู้ให้ฟังย่ยอๆหนะ่อยพู้เรื่องทุกพูดสามร้อยปีก็ไม่จบเมื่อเวลาเรียนจบจะเข้ามาหาเงินเดินกินต้องไปสอบแข่งขันการสอบแข่งขันเนี่ยเดินไปเพื่อสมัครมันสุขหรือมันทุกข์ ต้องเอาพัดตังไปเสียค่าสมัครเพื่อเสียค่าประกันมันสุกสมรุกไอ้เงินทองมันได้มาจากไหน ม, มันได้มาจากยากเหงื่อแรงงานของบินดามารดาท่าพ่อท่านแม่มีทุกข์มากที่นี่มาถึงเราเราเวลาจะสอบแม่เขาเอาเขาต้องการคนสองตำแหน่งแต่คนดันสมัครไปสองพันคน ทนี้ก็ต้องแข่งขันกันใช้กำลังปัญญาวิชาความรู้มีเท่าไรตั้งกลัวแขังกลับมาทวนกันใหม่นี่มันก็แบกกายของความทุกข์เวลาที่เข้าไปรับรดายการทำงานรับจ้างในด้านหนังสือมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับกายงานที่เขาให้เรามาไปตามเวลามาตามเวลาดีไม่ดีงานมันมากแบกมาทำที่บ้านอีก แล้วการไปทํางานก็ไม่ได้มีความสุขบางคราวเจ้านายท่านใจดีมันก็ดีบางทีมันพลาดพลั้งไปบ้างเป็นกฎธรรมดาของคนที่มีกิเลสเขาเเดียกเขาวา่าเขาด่าเขา ว, าขา ว, าขาวา่าเขาทำมิให้งานก็หนักขึ้นมาแล้วก็กลุ้มใจอีกดีไม่ดีถ้าเรามีหน้าที่มีฐานะสูงนิดหนึ่งมีคนใต้บงังคับบัญชา เราทำดีแต่ว่าคนใต้บังคับบัญชากลับบิดเบือนไม่ปฏิบัติตามระเบียบเราก็เป็นผู้รับผิดชอบโดนด่าโดนว่างานก็หนักกลุ่มเพราะจิตที่คิดว่าพวกคนพวกใต้กขาบังคับบัญชาไม่ดีให้เราก็มันโดนพูดเหนือกว่าตำแหน่มาอีกมันโดนเขาหลายหลายซ้ำสุขหรือทุกข์ นี่เราจะว่ากันถึงบุคคลที่มัได้รับบริการไม่รับจ้างในวิชาความรู้นักธทำมานำทํานาทําไร่ค้าขายคนค้าขายต้องใช้มันสมองมากซื้อห้าสตางค์ขายห้าสตางค์บรรลัยหมดอันนี้เรื่องภาษีก่อนเข้ามาทับถมคนที่อยู่กินด้วยกันก็หลายคนภาระอย่างอื่นก็มีมาก ดีไม่ดีถูกแฝกเจีย๊ยบถูกเกาเจี๊ยบคมริด ม, มาไทยก่อนที่ตั้งร้านค้าได้ต้องไปเสียเกาเจีย๊ยบเสียแปะเจีย๊ยอะไรเสียเงินกินเปล่าอาการทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดมันเป็นอาการแห่งความสุขและความทุกข์ที่เราจะต้องหาเงินไปทำไปซื้อห้องขายห้องการซื้อของมาเราซื้อมาก็มาแย่งกันซื้ออย่างเงินขายเมื่อปีสองพัน ห้าร้อยสี่มีนักเรียนสตรีคนหนึ่งมีดามัรดาของเธอบอกว่าของเธอเป็นคนค้าขายผ้าผ้าพื้นหนึ่งขายยี่สิบบาทสามสิบบาทแต่เทอบอกว่าการค้านี่มันต้องแย่งกันขายบางทีพื้นหนึ่งได้กํากไรเพรียงยี่สิบห้าสตาก็ต้องขาย เวลาไปขายของก็ต้องนั่งแกลวคอยคนเขาจะมาซื้อกี่ก็นั่งในว่าวันนี้จะมีกําไรเท่าไรจะพอกินแล้วไม่พอกินคนในรครอบครัวเรามีกี่คนกินวันละเท่าไรถ้าถ้าการป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นมีภารากิจอย่างอื่นเกิดขึ้นดีไม่ดีก็มีนักไถนักรีดมาไถ่มาได้อีกมันก็เกิดความหนักใจต้องเตรียมพร้อมเขาไว้ เป็นอันว่ า, าการจะได้องเงินมาเพื่ออาหารแากการค้าขายมันก็มาจากความทุกข์ถ้าชาวนาชาวนาชาวไร่มีองค์สมเด็จพระจอมไตรยืคตรัสว่าข้าวคำหนึ่งนี่มันมาจากความทุกข์เมื่อสมัยผมศึกษาเลยเคยรับคำแนะนำจากท่านอาจารย์ใหญ่ ท่านบอกว่าการพิจารณาหาความทุกข์ให้มองดูหารเป็นสำคัญว่าข้าวที่เรากินเข้าไปหนึ่งคำเนี่ยเอาเฉพาะข้าวอย่างเดียวยังไม่ถึงกับข้าวท่านถามว่ามันมาจากความสุขหรือความทุกข์และท่านก็บอกว่าเธอจงพิจารณาตามถ้อยคำฉันพูด ท่านตรัสช้าว่าคำข้าวหนึ่งคำข้าสุกนี่มันมาจากข้าวสารก่อนที่มันจะสุกเรต้องใช้อะไรบ้างมีงานอะไรบ้างข้าวสารมันจึงจะสุกท่านก็ตรัสต่อไปท่านก็บอกว่าก่อนที่มันจะสุกเราก็ต้องหาเต่าหาเชื้อเพลิงหาหม้อหาน้ํา หาข้าวสารมาใส่แล้วก็นั่งควบคุมเตาว่ า, มาเมื่ลัยข้าวจะสุกตามพิธีกรรมท่านถามว่าการหาอย่างนี้การทำอย่างนี้มันแ บ, บ่งการของความสุขกับความทุกข์ถ้าเราต้องใช้แรงงานแทนที่เะเย็นนอนเฉยๆหิวบ้านึกขึ้นมาอิ่มขึ้นมาหรือว่าไม่เช่นนั้นก็อิ่มมาเสลยไม่หิวการตัวหิวมันก็ตัวทุกข์ ก็ต้องทูลท่านว่าอันนี้ก็เป็นความทุกข์ท่านทงตัดถามต่อไปว่าเข้าวสารมาจากอะไรก็ต้องตอบว่ามาจากเขาเปลือกท่านถามต่อไปว่าเข้าเปลือกก่อนที่จะเป็นเข้าวสารเขาทำยังไงสมัยก่อนเขาต้องซ้อมต้องต่ําเวลานี้แล้วก็ต้องแบกข้าวไปที่โรงศี ท่า น, นถามว่าการอย่างนี้เนี่ยมันแบกายขความสุขกัอความทุกข์ในที่ท่านก็ถามต่อไปว่าไอ้ตัวข้าวที่มันจะเกิดเป็นข้าวมีไม่ขึ้นมาเขาทํำยังไงเมื่อกราบเรียนบอกว่าต้องโนนไปไ ป, ไปทํานาเนี่ยไปไถนานไปหว่านข้าวไปคาดไปได้ยากเออ แล้วก็คอยปฏิบัติดูว่าข้าวมันจะงามแล้วไม่งามจะมีรวงแล้วไม่มีรวงเสร็จแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วก็มาเข้ายุ่งเข้าฉางท่านถามว่าคนที่ทำไรทำนาไปตากแดดตากฝนฝนตกหนาวก็ต้องทนแดดร้อนก็ต้องทนอาการหนาวก็ต้องทนไม่ทนทำไม่ได้เพราะมันไม่มีข้าวจะกิน ในการบังคับบัญชาควายหรือวัวที่ล่าคันไถเราต้องใช้กําลังกายทําทุกอย่างยาปกติเราต้องการพักผ่อนมากกว่าการทํางานแต่ว่างานประเภทนั้นถ้าเรามันถ้าเราไม่ทําไม่มีกินอาการอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ก็ต้องตอบท่านว่ามีความทุกข์ แล้วเมื่อต้นข้าวเกิดขึ้นเราก็ต้องอาาระมัระวังว่าศัตรูของพืชมันจะมีบ้างไหมศัตรูของพืชมันเกิดขึ้นมาเราทํายังไงจึงจะขับไล่มันไปได้แทนที่เราเมื่อวานต้นข้าวข้าวขึ้นแล้จะนอนสบายกลับต้องไปาาระมัดระวังรัษาไม่ได้พักมาได้ผ่อนไม่ได้นอนตามความตามความตั้งใจอย่างนี้แวดการของความสุขและความทุกข์ ก็ต้องกราบเรียนให้ว่าเป็นความทุกข์เมื่อข้าวสุกแล้วเป็นรวงแล้วเราไปเกี่ยวต้องก้มหลังโค้งหลังปวดหลังปวดเอวแบะข้าวมีความคันอาการอย่างนี้เป็นความสุขและความทุกข์ก็กราบเรียนให้ว่าเป็นความทุกข์เมื่อนาข้าวมาเข้าลานแล้วต้องนวดต้องไล่แกลบต้องไล่ซางออกแบเข้าที่เก็บ มีทั้งคันและเหนื่อยยันนี่แบกกายของความสุขและความทุกข์ท่านเราบอกว่าแล้วก็ต้องกราบเรียนว่าเป็นความทุกข์ถท่านถามว่าไอพื้นที่นานี้ก่อนจะได้มามันได้มาแบบไหนเรากราบเรียนว่าถ้ามีเงินซื้อแล้วก็ซื้อไม่มีเงินซื้อแล้วก็ฟันป่าท่านถามว่าไอเงินที่จะไปซื้อนาเนี่ย เราต้องหาว่าด้กําลังกายใช่ไหมกําลังปัญญาก็ต้องตอบว่าใช่การหาเงินมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องตอบต้องว่าเป็นทุกข์การที่ดันถ้ามีนานแล้วก่อนที่จะไถานานลงไปเราต้องหาควายควายไม่มีหาเงินไปซื้อควายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เอาเงินไปจับใจหาไถหาคาดมันต้องเหน็ดเหนื่อ ย, เ, ยเพื่อการหาเงินนับเปล่าก็ตอบใช่ ท่านถอยหลังก็ไปว่าถ้าหากสมมุติว่าเราไม่มีเงินซื้อนาถ้ามันเป็นป่าเราต้องตัดต้นไม้โค่นต้นไม้ลงมาแต่ละต้นมันเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็ต้องตอบว่าเหนื่อยโค่นมาแล้วฟันเป็นท่อนเป็นตอนต้องขุดต่อปรับพื้นที่อาการอย่างนี้มันเหนื่อยไหมก็ต้องตอบว่าเหนื่อยท่านถามว่าเหนื่อยแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ต้องกราบกลินว่าเป็นทุกข์ ยังได้ทรงจัดว่าแม้แต่คําข้าวคําเดียวที่เราเข้ากินเข้าไปในปากมันมาจากความทุกมาจากความเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้เธอจงใช้ปัญญาว่าของทุกอย่างที่เราจะมีขึ้นตามความจําเป็นของชาวโลกที่ต้องใช้เป็นผ้านุ่งผ้าห่มก็ดีบ้านช่องเรือนโรงก็ดีของใช้ก็ดีย า, ารักษาโรคก็ดี สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดได้มาจากแรงงานที่เราต้องเสี่ยงกับความทุกข์ต้องได้มาด้วยอัน่ายของความทุกข์และก็เสี่ยงกานตรายเพราการไปทําไร้ภายในก็ดีการไปรับบริการเพื่อการแจ้งก็ดีการทําทุกอย่างเพื่อได้มาเพาื่อทรัพย์สินมันต้องเสี่ยงชีวิตดีไม่ดีเราอาจจะถูกโงู ก, กัดตาย หรือว่าถูกคนทำร้ายหรือเกิดอุปัติเหตุนี่ต้องใช้ชีวิตเข่าเสียงเหนื่อยยังไม่พอยังนกเสียงชีวิตแล้วทรมานกับอาการที่เราไม่ต้องการอย่างเราเหนื่อยเมื่อราต้องการจะหยุดแต่ว่างานนะั้นมันยังไม่เสร็จมันหยุดไม่ได้ก็ต้องทน จ, จําใจจําทำต้องทรมานร่างกายทำไปจนกว่ามันจะเสร็จไม่ฉชนนั้นผลมันจะไม่เกิด ท่านให้พิจารณาหาว่าการทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาในโลกมันได้มาจากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดคืออาหารที่เราจะกินเข้าไปทุกวันนี่เรากินทุกอรฏ บ, บรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องสำหรับทุกนาเริยสัตว์นี่ให้ผมพูดสามร้อยปีนี่ไม่จบอ ไม่จบพ่ออะไรพ่อทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ขอแนะนําเพียงแค่เป็นหัวข้อพอท่านใช้เป็นญาถ้าพูดการเท่านี้ยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปหวังมัน like, ล้วไอ้แซววันนี่เนวัคซีมะโลกตั้งอกตั้งใจลงนรกตามอธิยาสายก็แล้วกันถ้าเราสำหรับวันนี้เวลาการสอนก็หมดแล้วก็ท่องข อ, อยุติแต่เพียงเท่านี้ ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอริยาบทที่ท่านเนว่าสมควรที่ท่านจะสบายนละรักษากำลังกายกำลังใจพิจารณาภาวนาตามมัิยาสัยจงกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดี